ถ้าเมื่อไรเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะเราจะรู้กายเราจะรู้ใจถ้าเมื่อไร يد, เราลืมตัวลืมกายลืมใจเราจะไปรู้เรื่องราวที่คิดนะนั้ น, นอารมณ์มันมีสองงนเท่านั้นเองอารมณ์บัญญัติกับอารมณ์รูปนามจิตต้องมีอารมณ์นะถ้าจิตไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยจิตจะลืมกายลืมใจหลวงพ่อยกตัวอย่างอย่า ง, างสมวนว่าเรานั่งอ่านหนังสือนะอ่านไปคิดไปนะในขณะนั้นเราอ่านหนังสือเพลิดเพลินไป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 พระพุทธเจ้าบอกคนศาสนาอื่นก็สามารถเห็นว่ากายไม่ใช่เรามีแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่จะทำให้เห็นว่าจิตก็ไม่ใช่เราดะงนั้นถ้าอยากเรียนโตแล้วเรียนรัดเรียนแบบกวดวิชานะหลวงพ่อสอนคล้ายๆติวเตอร์ของพวกรามคำแหงอะไรเงี้ยนะเฉลยข้อสอบรุ่นนี้ให้ไปภาคเพียนทําเรียนหนังสือมาแล้วไปสอบเองนะไม่ค่อยทาแล้วนะไม่เหมือนรุ่นก่อนๆ น, นักปฏิบัติรแร่ก่ อ, น, อนมากเลยนะ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 พอใจลอยแวบท่านหันมามองเนยไม่เต็มใจนวดก็ไม่ต้องนวดหรอกเอ๊ะเราว่าเราเต็มใจนะเราอยากนวดเราไปขอนวดเราก็งงๆนวดอีกนวดนวดพอใจลอยมองอีกแล้วไม่เต็มใจนวดไม่ต้องนวดหรอกโดนเข้าหลายๆทีรู้เลยอ๋อจิตเราหนีไปจิตเราหนีไปเห็นไหมมาถึงยุคนี้หลวงพ่อไล่จี๋ยเห็นไหมจิตแอบไปคิดแล้วนะนี่บอกตรงๆ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 วันนี้คนมาซื้อผักเยอะดีใจรู้ว่าดีใจเห็นใจมันดีใจไม่ใช่เราดีใจวันนี้คนมาซื้อเยอะเลยแมมเตรียมผักมาน้อยชักเสียดายแล้วความรู้สึก ง, งกเกิดขึ้นเนี่ยรู้ทันว่างกขึ้นมานี่เขาภาวนาอย่างนี้นะคนขี่สามล้อก็มีนะที่สล้อก็มีนี่หลวงพ่อยกตัวยอย่างแบบชาวบ้านชาวบ้านนะเดี๋ยวพวกเราจะนึกว่ า, าศาสนาพูดเหมาะกับชาวบ้านเหมาะกับพวกไม่ได้เรียนหนังสืออะไรไม่ใช่นะ คนเรียนหนังสือภาวนาดีๆก็เยอะแยะไปจริงๆศาสนาพุทธเหมาะกับปัญญาชนปัญญาชนไม่ได้แปลว่าพวกคิดมากนะอย่างพวกเราจบปริญญาลรวบอกว่าเป็นปัญญาชนไม่ใช่หรอกส่วนมากเป็นพวกจำเก่งปัญญาชนคือคนที่รู้จักใช้เหตุใช้ผลอานีศาสนาพุทธหมาะมากเลยเพราะศาสนาพุทธเต็มไปด้วยเหตุผลมีเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้อย่างเราทาเหตุคือทา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 ละความเห็นผิดเมื่อกายกับใจเป็นเรานี่จุดแรกนะต่อไปจะละความยึดถือในกายตอนสุดท้ายจะละความยึดถือในจิตเป็นลำดับลาดับไปเนะี่ยเ ต, ต็มไปด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยนะหรือพวกเราบางทีเรามีศรัทธาเข้าวัดนะลงมือปฏิบัติเข้าคอร์สนะเราไปเดินจงกรมไปทำอะไรต่ออะไรขึ้นม า, ม า, มากมายหวังว่าจะได้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดสติไม่เกิดนะ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 จิตยังไม่ตั้งมั่นน ะ, ะสังเกตออกไหมไม่ต้องเกรงใจหลวงพ่อถ้าเวลาถ้าเวลาคุยอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ค่อยรู้สึก ร, รู้สึกไหมมันมันไปอยู่ข้างนอกนี้ความรู้สึกของเรามันไม่หยั่งเข้ามาถึงจิตถึงใจจริงๆ<ะ>มันไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานของความรู้สึกตัวจริงจงิจิตสงสัยอ่ะทราบไหมทราบค่ ะ, สสะนี่จิตเกิด<ะ>ความสงสัยไหลแว บ, บขึ้นมานะ เราก็รู้ทันมันอย่างเงี้ยรู้ว่าแค่อยากถามหลงแล้วรู้สึกไหมอยากพูดล้เมื่อกี้เนี้ย ใ, ใจไหลไปใจไหลไปตรึกไปคิดให้รู้ไปเรื่อยเื่เริ่มบังคับตัวเองแล้วทราบไหมค่ะเออนี่ยหัดดูอย่างเนี้ยนะดูลงปัจจุบันไปเรื่อยเรืเราจะเห็นเลยมันทํางานของมันเองตลอดเวลาบังคับมันไม่ได้เมื่อกี้ทําอะไร <c oughs>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 หลวง่ออีกข่ามครับถ้าถ้าเกิดสมมติผมจะเห็นเวลาผมไปบวชกับหลวงพ่อได้ไหมครับอืหลวงพ่อต้องดูก่อน <c oughs> ควรจะมาสมัครบวชกับหลวงพ่อเยอะเลยนหลวงพ่อสองสัต้องสร้างคอนโดพระเอาว่างไงนมัสการหลวงพ่อค่ะคือฟังเสียดีหลวงพ่อมาเยอะเหมือนกันคืออยากจะทราบว่าตัวเองลองปฏิบัติแล้วอยากจะทราบว่าที่รู้รู้ถูกหรื อ, อยังเห็นกิเลสล่อยไมวันวันหนึง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 การปฏิบัติเนี่ยเราฝึกเพื่อให้เรามีสติก็จริงนะแต่ไม่ใช่เพื่อให้มีสติตลอดเวลาอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่ฝึกเพื่อให้มีสติตลอดเวลานะสตินะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับไปตามธรรมชาติของมันแต่เรามีสติขึ้นมาแวบเนี่ยเราจะเห็นเลยแต่กี้นี้หลงแล้วก็มีรู้ตัวขึ้นมารู้สึกตัวได้แวบเดียวเดี๋ยวก็หลงครั้งใหม่นะรู้สึกอีกก็ความหลงก็ขาดไมยกลายเป็นหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้เกิดสภาวะสออัน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 ปวดหักไหมเป็นบ้างบางครั้งแต่บางครั้งก็ก็คือสบายนิ่งอย่างเงี้ยค่ะแตเป็นเป็นบางครั้งว่าเหมือนเราเราค้นเข้าไปค้นในจิตว่าเออเราทําอะไรเข้าไปค้นนะให้รู้ว่ากําลังค้นอยู่นะอ่เวลาจิตเที่ยวไปค้นให้รู้ว่าค้นจิตไปดูให้รู้ว่าไปดูหลายคนเวลาจะดูจิตเนี้ยส่งจิตไปดูรู้สึกไหมในใจเราคล้ายๆมีจอโทรทัศน์อยู่อันหนึ่งเวลาเราจะดูจิตนั้นเราส่งจิตเข้าไปดูเข้าไปกวนกนก่อนนะ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 นี่รู้ลงปัจจุบันไปที่นี้โยมจะไปดูไอตัวโทสะว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่จงใจดูมากไปถ้าจงใจดูมากไปจะทื่อๆไปนิดหนึ่งไม่สดชื่นนะที่ฝึกอยู่พอจะใช้ได้แล้วเย้ค่ะเห็นไหมตอนส่งไมโครโฟนลืมตัวเองนะเวลาส่งไม้นี่นะเป็นเวลาปรับเสียนนะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยพอเวลาหลวงพ่อบอกเนี่ยส่งไม่แล้วเผลอนะคนถัดมาจะเริ่มส่งไมแบบนี้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 แล้วก็สังเกตใจเราไปเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกหรือเราพุทธโทอะไรเงี้ยใจหนีแวบไปคิดให้รู้ทันว่าใจหนีไปแล้วก็มาพุทโธต่อหายใจต่อใจหนีแวบอีกก็รู้อีกเนี่ยฝึกไปอย่างเงี้ยต่อไปเวลาเราไปสอนนักเรียนนะเราเห็นหน้าเด็กคนนี้เราจะรู้เลยเราชอบเด็กคนนี้มากกว่าเด็กคนนี้อะไรเงี้ยมันจะเห็นเลยเห็นเองเคยเคยเห็นตัวโกรธค่ะแบบใหญ่มากเลยแล้วพอเห็นปั๊บมันดับ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 ว่าตอนนั้นไปอยู่ในวัดป่าเนี่ยเกือบ30ปีแล้วตอนเช้าเดินไปเห็นเก้าอี้หินนะอยู่ใต้ต้นไม้ร่มรื่นริมสระน้าใจมันคิดเลยตรงนี้น่าภาวนาอยากภาวนาอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยพระองค์หนึ่งท่านตะกกนข้ามสระน้ำมาเบอกปราโมทอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วโอ้ตอนนั้นรู้ทันเลยอยากปฏิบัติก็ผิดแล้วนะเราเห็นความอยากเลยเนี่ยนั้นให้รู้ลงปัจจุบันไปด้วย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 เรียนหลวงพ่อค่ะดิฉันรู้สึกว่าปฏิบัติแล้ว ม, มันไม่เป็นธรรมชาตินะคะไม่เป็นธรรมชาติ <c oughs> ถูกต้องดีที่รู้นะดีที่รู้อยากเป็นธรรมชาติไหมอยากก็ไม่ดีเอออยากก็ให้รู้ว่าอยากกแหละ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วการปฏิบัติง่ายกว่าที่เราคิดนะการปฏิบัติทําเหมือนเส้นผมบางภูเขา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 หลวงพ่อทางใครทางมันสิวะต้องมีว้าด้วยนะเพราะหลวงพ่อค่อนข้างจะนักเลงไม่ใช่อันภานนะนักเลงกัอันภานไม่เหมือนกันหลวงพ่อไปลากเก้าอี้มาเลยไม่เดินมันละนั่งมันตรงนี้แหละนั่งดูจิตโดยใจตัวเองนะใจที่เคยหนักก็คลายออกคลายออกมันทางใครทางมันนะคนไหนถนัดเดินเดินคนไหนถนัดนั่งก็นั่งนะคนไหนถนัดนอนก็นั่งนะถนัดนอนแล้วนอนก็เสร็จสินะถนัดอะไรเอาอันนั้นแหละยกเว้นถนัดนอนนะ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 เราก็ตั้งใจงดเว้นซะพอกิเลสเกิดมาเราคอยรู้ทันมันถ้ากิเลสรุนแรงเนี่ยนะมันอยากทำผิดศีลแล้วเราไม่ทำอันนี้ใช้ศีลมาช่วยศีลเหมือนปลาการด่านสุดท้ายเลยนะที่จะไม่ให้เราทำชั่วกรอบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะพอดีเพิ่งเริ่มปฏิบัติแต่ว่าไม่ทราบว่ามาถูกทางหรือเปล่าอ ม, มาถูกแล้วมาศาลาลุงชินได้ก็ได้แลแ <laughs> <laughs> ม่เลี้ยวเข้าบิ๊กซไป